มหาสงครามว่าด้วยภิกษุผู้เข้าสู่สงครามหนึ่งโวหะรันเตนะชานิตปภานิว่าด้วยข้อปฏิบัติที่ภิกษุผู้กล่าวพึงรู้เป็นต้น 368. อันภิกษุผู้เข้าสงครามเมื่อกล่าวในสงพึงรู้วัตถุพึงรู้วิบัต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 ว่าด้วยการรู้วัตถุ369คําว่าพึงรู้วัตถุนั้นคือพึงรู้วัตถุแห่งปาราชิก8สิกขาบทพึงรู้วัตถุแห่งสังขารทิเศษยีสิส -23 สิกขาบทพึงรู้วัตถุแห่งอนิยตสองสิกขาบทพึงรู้วัตถุแห่งนิสสคี42สิสิกขาบท พึงรู้วัตถุแห่งปาจิตตี 188. ยสิสิบขาบทพึงรู้วัตถุแห่งปาติเทสนียะ 12. สิขาบทพึงรู้วัตถุแห่งทุกกฏพึงรู้วัตถุแห่งทุกภาสิทธ์ว่าด้วยการรู้วิบัติ370คําคำว่าพึงรู้วิบัตินั้นคือพึงรู้สีลวิบัติ พึงรู้อาจารวิบัติพึงรู้ทิฏฐิวิบัติพึงรู้อาชีววิบัติว่าด้วยการรู้อาบัติ371ร้อคำว่าพึงรู้อาบัตินั้นคือพึงรู้อาบัติปาราชิกพึงรู้อาบัติสังคาทิเศสพึงรู้อาบัติทุนละใจพึงรู้อาบัติปาจิตตีพึงรู้อาบัติาาาปาติเทสนิยะ พึงรู้อาบัตทุกกฏพึงรู้อาบัตทุกภาสิทว่าด้วยการรู้นิทาน372ร้อคำว่าพึงรู้นิทานนั้นคือพึงรู้นิท า, านแห่งปราชิก8ปสิกขาบทพึงรู้นิทานแห่งสังคาทิเศษยีสิสามสิกขาบทพึงรู้นิทานแห่งอนิยตสองสิกขาบท พึงรู้นิทานแห่งนิสกี42สิกขาบทพึงรู้นิทานแห่งปาจิตตี188สิกขาบทพึงรู้นิทานแห่งปาติเทสนิยะ12สิกขาบทพึงรู้นิทานแห่งทุกกฎพึงรู้นิทานแห่งทุพภาสิทธิว่าด้วยการรู้อาการ373คำว่าพึงรู้อาการนั้น คือพึงรู้สง์โดยอาการพึงรู้คณะโดยอาการพึงรู้บุคคลโดยอาการพึงรู้โจ์โดยอาการพึงรู้จำเลยโดยอาการข้อว่าพึงรู้สง์โดยอาการนั้นคือพึงรู้สง์โดยอาการอย่างนี้ว่าสงหมู่นี้จะสามารถระงับอธิกรณี้ได้โดยธรรมโดยวินัยโดยสัตวศาสตร์ หรือไม่หนอข้อว่าพึงรู้คณะโดยอาการนั้นคือพึงรู้คณะโดยอาการอย่างนี้ว่าคณะนี้จะสามารถระงับอธิกรณ์นี้ได้โดยธรรมโดยวินัยโดยสัตวศาสต ร, ร์หรือไม่หนอข้อว่าพึงรู้บุคคลโดยอาการนั้นคือพึงรู้บุคคลโดยอาการอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ จะสามารถระ ง, งับอธิกรณ์นี้ได้โดยธรรมโดยวินัยโดยสัตุศาสตร์หรือไม่หนอข้อว่าพึงรู้โจทย์โดยอาการนั้นคือพึงรู้โจทย์โดยอาการอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้จะตั้งอยู่ในธรรมหประการแล้วโจทย์ผู้อื่นหรือไม่หนอข้อว่าพึงรู้จำเลยโดยอาการนั้น คือพึงรู้จำเลยโดยอาการอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้จะตั้งอยู่ในธรรมสองข้อคือให้การตามจริงและไม่กโกรธหรือไม่หนอว่าด้วยการรู้คำต้นและคำหลัง374คําคำว่าพึงรู้คำต้นและคำหลังนั้นคือพึงรู้คำต้นและคำหลังอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ ย้ายวัตถุจากวัตถุย้ายวิบัติจากวิบัติย้ายอาบัติจากอาบัติปฏิเสธแล้วกลับปฏิยานปฏิยานแล้วกลับปฏิเสธหรือสับเรื่องอื่นด้วยเรื่องอื่นหรือไม่เนอว่าด้วยการรู้สิ่งที่ทำแล้วและอย่างไม่ได้ทำา37 คำว่าพึงรู้สิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำนั้นคือพึงรู้เมถุนธรรมพึงรู้ข้ออนุโลมแก่เมถุนธรรมพึงรู้บุภภพพาคแห่งเมถุนธรรมข้อว่าพึงรู้เมถุนธรรมนั้นคือพึงรู้กิจที่กระทำกันสองต่อสองข้อว่าพึงรู้ข้ออนุโลมแก่เมถุนธรรมนั้นคือ พึงรู้เรื่องภิกษุอมองคชาติของภิกษุอื่นด้วยปากของตนข้อว่าพึงรู้บุพพภาคแห่งเมถุนธรรมนั้นคือพึงรู้สีมิใช่สีการถูกต้องกายวาจาชั่วหยาบการบำเรอความใคร่ของตนการใช้คำชักชวนว่าด้วยการรู้กรรม3า6 คำว่าพึงรู้กรรมนั้นคือพึงรู้กรรม16อย่างคืออปปโลกนกรรมสยัตติกรรม4ยัตติทุติยกรรมสยัตติจตุถกรรมสว่าด้วยการรู้อธิกร377คําคำว่าพึงรู้อธิกรนั้นคือพึงรู้อธิกร4สคือหนึ่งวิวาทาธิกร 2. สองอนุวาธาธิกร 3. อาปัตตาทิกร 4. กิจจาทิกรว่าด้วยการรู้สมถะ378คำว่าพึงรู้สมถะนั้นคือพึงรู้สมถะ7คือหนึ่งสมุขาวินยัย 2. เยพุ ย, ยสิกาสสติวินยัย 4. อมุระหาวินยัย 5. ปฏิญญาตการณะ 6. ตัสปาปิยะศิกาเจ ตินนวัารกะ